2> BOOK 59. 59. 2 5ห้าสิบเก้าที่ทำการไพรสณนียูบิ้งกกเดที่ทำการไพรสน์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ที่ทำการไปรษณีย์ใกลาจากที่นี่ไหมตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวงสำหรับการ์ดและจดหมาย ค่าส่งไปรษณีไปอเมริการาคาเท่าไรอเมริกาまでの送料はいくらですかพัสดุหนักเท่าไรこずすみの重さはดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมそれを航空便で送れますか ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงนานらいでกきますかดึดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนどこか電話できるところはありますかทรรสตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอ番近いบ้านชิใกล้เดมารคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ เทเลโนกาดว่าริมัสกคะคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะเดวิชัว่าริมัสกคะคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะออสเตรยの国番号がわかりますかรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะお待ちください調べてみます สายไม่ว่างตลอดเวลาずっと話中ですคุณต่อเบอร์อะไรどの番号におかけになりましたかคุณต้องกดศูนย์ก่อนまずはじめにゼロをかけなければいけません